พระธรรมเทศนาจะดกเรื่องนาคเขาคำภูติสี่ 4. เรียบเรียงโดยอินสมชัยจมพูรปรเรียนตามฮกเปียกนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไายนะโมตัสสะภาควโตวอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัดสาวิพาตาญัติติญาชาเสนาปามุขขังนั้นที่ยังปักโกสาเปศีติสทาวดูราสปุริตาตั้งลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันนั่งอยู่ลายลามจุงแปงใจงามจินจอย ด้วยตามทอยกรรมทำเราจักนำมาเกาวฮือูข่าวตามมีบัดนี้และน้าตัดสาวีพาตาญาตัดตีญากันคืนนั้นและรุงสายฟ้าปุ่งเรื่องไรตาวันใสแจ้งส่งไขจูแห่งห้องจุมปู เต้าบุญจูสมมาตราชก็เฮ อ, อามาต่างตาเรียกเสนาผู้เทาอันเป็นเก้ารีปนขึ้นมาบนภาษาตีห้องราชเรียวปัน อามาดยันรีพาวไปสู่ดาวเกหาแห่งเสนาผู้ใหญ่บอกแจ้งไข่ตามมีเสนาบอดีผู้เทาร้อนไม่เอาตั้งตัว มีความกลัวบ่อโนยบ่อเกาทอยกำไดรีบเปลวไววาวาดขึ้นภาษาหอคำยอมือตั้มใส่เก่าใบสึ่งเจ้าราชาวาา่ากาแดมหาราชเจ้ า, จาตอนเป็นปินเก้าปุรีอาจยามีรีภาวเรียกาต้าอมาปันตา้าอเลงหันเก้าเหตุ เกิดอาเป็ดสังจาหรือศักมาหลอดไก่หรือไผใหญ่มาฟ้านขอผู้บ้านตันเต้าคุนนาเก่าตามมีข้าโบนีกาผากบเว้นจากไกตาขออาสาขมใจเือเต้าไทยสัตวาดีเจ้าปุรีสมมาตราดฟังถอยวาดกำจา แห่งเสนาผู้เท่าจริงตันเหล่ากำไปว่าดูราเสนาในผู้ใหญ่เราใส่ไว้ต่างตาตันอาสาไปภาพจนายยุนไรยาบใจหาน อึงเมื่อนานแต่โสดใจไร้หดยังมีบ่หายหนีเสียงขาดจุมไพ่ราดจ้าเมืองมีกำเครื่องกังเกนตุกทังเด่นถนัดใจเป็นสันได้บ่ภาพดับจนยาปลาลาฮือผาจาไฟน้อยอยู่จืนจ้อยดังอ่อนเท่าพุ่มปนยดใหญ่แสงน้อมใบทุนสา ว่าคาแด ม, มาหาราชเจ้าตนเป็นเก้าปุรโจน บ, บ่มีเป็นหมูบ่บ่อลายอยู่ลวงลายข้าผันภายเตียวสอดพับไข่จอดตั้งวัน บ่จวบพันโจนไร่เตียวต้องพายเบียนขี้เจ้าปุรีภผยน้อยเตียงเก่าท้อยมุสาพานยาเป็นเจ้ามองมนเศหรหอระไทยขอจอมใยเจ้าฟ้าอดอยู่ท่าดานไปแม่นโจนภัยอย่าไรเตียวต้องภายยังมีกันบ่หนีกาผ่าขาจักลากตัวมา <c oughs> สู่ผางกาภาษาสเถือเตาราชเล่งหันแม่นยับมันบ่ได้คาบนไทยยอมตายจะละนะตังสุดตา ร, ราเจาส่วนภาญยาสมมตตราชเจ้าภาษาสห่อคำได้ยินคำตอบถ้อยแห่งคุณถ้อยใจหาน จึงจะขานต้านเหล่าว่าดูรเาก้อารีปนต้านว่าจนอย่าไพร่ต้องภายเบียนขี้บ่หันมีสักผู้ภายไตอู จ, จะได้ตั้นพันภายซอพอบ่หันตอสายตาจับยับมาบ่าได้จนถอยไรบ่ร้อนมีตั้นจะดีแต่ปากตีแต่หากมุสา เราไปมาคืนนี้หันแจ้งที่ตาตนปาริปนใหญ่น้อยเป็นจนถอยปาลาเตียวไปมาเป็นหมูลาสอดอยู่เป็นจุมแล้วออไปซุ่มอดเอาดื่มน้ำเหล้ายาดองแบ่งปันของเคืองใจอันรักใดนำมาในเกหาใหญ่กว้างเขาหากสร้างดูดี จนไรมีบ่โนยจะเก่าถอยเดืองนั้นส่วนนายมันแก่เท่านั่งเป็นเก้ากลางจุ้มมือจนสุ่มแวดข้างดังเจ้าจ้างห่อใจดูราเสนาในยอดใหญ่เราหากใดไปหันบ่อใจฝันสะดุ้งสติปุ้งลงล้ำ เราเอาคำลายหลากอันตนหากปกไปเป็นคำใสบ่อเศร้ายืนปั่นเก้าในโจนเขาจูคนจื่นสู้ให้เราอยู่นอนดีกันอยที่เตียงคอนดาวสะต้นเย็นในโจนลับไปจูผู้ปอบบอกขิงตนเราจิงหันปิกปอกวายหน้าออกขึ้นมา ตุรเสนาเหยยยอดยาวเจนป่อเต้าองอนสะเวยนะกอนเมืองใหญ่ใสตันไว้ต่างตาถึงเรามาเป็นเจ้าบ่ลืมเทาแก้มเมือง คือยาสาเรื่องแพ่กวางตามไฟอ้างบะโดได้เป็นสันได้ดังอีใจกำกี้มัวดำแม่นตามคำแต่ก่อนเช่นปูมอนซอนลานว่าจ้างไปสานตัวอาจงาหักขาดสูญหายงูปิดลายใหญ่น้อยตัวอ่อนอ้อยป่านได้กันวางใจพามาเตียนย่อมอาจถึงตาย ข้าหญิงใจจวยใจตั้งแต่ไทยเดิมอ่อนมียเพียงนอเมีเยแปงนอนแนบคางรวมก่อสร้างเกะหากกันล่าซาคำเจ้ามักปาเขาตั้งวายโบราณหมายเป็นเก่นหากมีเ่นตามคำเราอยู่หอคำภาษาได้ภามาตวางใจวังอาสะไหลพึ่งเทาอันเป็นเก้าเสนา สืบสายมาติดต่อแต่เจนปอผู้ทอนบ่อสังหอนสักกากตีแต่หากเป็นโจรเรร้นเดือดไหมร้อนไรควายป า, าราสันได้เจอดังอีจุงก่าวจี้มาไวคุณใจไฟผู้เท่าฟังํำเจ้าเนื้อหัวมีความกลัวหลายแลเหื่อย้อยแพ้ตามตนใจเวบบนดันสอด หูแจ้งจอดจำหมายว่าโจรมันพอยต่างนาหนุ่งเสื้อผ้าผืนดำแล้วเอาคำหล่ไปยื่อแพ้ย่อปันว่าตัวมันลักใด จากเขื่อนใหญ่เศรษฐียำร้รยทีหลวงแล้วแม่นเต้าออเอวเตี่ยวหนปอมเปตนละสอดได้ไปรอดเรือนกู้เต้าไปจูเก้าก้างหันแจ้งสว่างจุพการหุนใจหันเท่าถอยขึ้นตำก้อยมองเงานั่งนิ่มเศร้ากมหน้าบอ่อต่อตากำได้ก็มีหันแหละนาะ อาทาในกาละนันไซเต้าหยดใหญ่สมมาตัตราก็เรียกเสนาพวกน้อยมายับเท้าถอยใจไฟมันก็ไว้บ่จ้าลูกเล่นกว่าเร็วปัน รีภายพันวายว่องเต้นออกปองเบ่งจรแห่งพระผู้ทอนเจ้าฟ้าไปยืนท่ากลางสานามผวกน้อยตามเลยไหลไปเวดไก่บัตเตียว มันรีเปร่อเข้าผาปลูได้ดาบคมใสแห่งคนในพวกน้อยมันบ่ถอยเสียแรงไัยฟันแทงบอกเข้าย้อนขุนเทามีมนเกยพาจนสึกญย ภาแป่ใดหลายที่มันโบนีหลีกนาเข้าต่อตาแต่งฟันลำชะกันพวกน้อยฟ่องเลือดน้อยเป็นสายฟ่องก่อตายมวยหมอเต้าตกตอดกางจุม่มคนยังรุมยำเข้ามายคาเทาผีพายพวกน้อยลายสะสูมาแวดอยู่ใหญ่ๆบ่มีไผ่หยับใดเท่าถอยไรมีแรง ไหลฟันแตงว่าวาดหอกดาฟาดจมกันเสียงปอนั้นทิ้งทองสนันกองสองหูเขาไหลจูหนีบแน่นเยียวเท่าแหลนผ้านีเท่าใจผีสกอก ตินคำออกกลางจุม่มอย่างสามคุมอยู่ธาถือดาบกาดาฟันผวกน้อยยันบ่จ้าเวดเป็นตาบัดเดียวดาบคมเขียวยืนซ่องบ่มีป่องตั้งนี้ เจ้ากาลีบ่อญาณบ่อสาตานไปได้รีบเร็วไวเต้นออกตกไปนอกคนลหลจุ้มยิงใจน้อยใหญ่อันอยู่ไกลเล็งหันเขาป้ากันเล่นดีสอนอยู่ตีแดนไก่บ่มีไผยอยู่ไกลกลัวตายไก่เมื่อมอนเกาะมีฮันเล่นะา กีระดังจักรู้มานิใสคุณยศใหญ่ปาลามีกาญจสูงใหญ่สักลายไข่ทั้งตัวบ่กลัวูญานบ่สาตัันสัตวูมันมีคููหลายแหล่อาคมแกส่สิงสาหอกคมจ้ามอกนาดมันบอ่อาจกลัวขามข้าสักลมแวดไกมันผับใดบัดเดียว เจิงไวเร็วลำล้นเต็นสูงป้นปลายตานอยู่สาทานปลายต่ำเต็นไกล่ลาเต็นไกล่ลำสาวาใส่กังกาขังไว้มันออกไดเร็วปันเจือเล็กวันปันปอกสะดดออกตันตาราเจาปุริษาหลแลแวดล้อมแผ่ใหญ่ใหญ่บ่มีไผยหยับใด ยังคุณใหญ่แกเมืองย้อนเตจะเรื่ององอาจจบฉลาดอาคมนั้นและนะสุราจานว่าพญาสมบัตราชเจ้าภาษาใส่สี่กองตีกองใหญ่สนั่นไขวียงใจเสนาในจูู่มาพร้อมอยู่เร็วปัน เสียงกองนั้นมีกองสนันนหองปาราจุมมโยธาใหญ่น้อยเล่นเป็นถอยเป็นสายมีดวงลลยระรื่นเขาแตกตื่นกันมาถือภาลากับดาบ เต็นผ้าผาพสะสนจุมรีปนม้วนหมูมาพ้ออยู่เรียวปันเขาเล่งหันคุณเท้าอันเป็นเก้าได้ตนหกวิ่งโยนวัดวาดถือดาฟาแต่งฟันอย่างกลำจะกันพวกน้อยนับอ่านร้อยเป็นมมยเสนาไหลาม้วนหมูบ่อตันหูขี่จ้าก่อญาติธารเข้าไปช่วยคุณใหญ่เรียวปัน ไหลแต่งฟันพวกน้อยเลือดหยาดย้อยเป็นสายพวกน้อยตายมวยหมอดีบรอดสักคนก็มีหันแลยนะถ้าในกาละนันใสร่รีปนใหญ่ดวงลายอันพันภายมารอดแปดล้อมจอดลายลามเต็มสะดามควงเต้า โ, โหรองเศ้าเดึงดัน เล่นเข้าฟันจอบหมูป่ปอบหอูเป็นผายพ่องมีใจบ่อเศร้าเป็นฝ่ายเจ้าราชจ้าพ่องป่าละถอยไรเข้าคุณใหญ่อาธรรมรถเกวียนนำแล้วแหลกรีปนแตกเป็นสองฝ่ายนึ่งปองหักเต้าตนภาเดาวหอใจฝ่ายนึ่งใจกายาบบ่อบาปหรือบุญ ลอยเขานุนคุณใหญ่เข้าเล่นไหลแต่งฟันเสียงเดืองนั้นโหร้องสาแนานกองปุรีฝ่ายคนดีมีน้อยคนใจถอยมีลายฟันกันตายกอยกาดเลือดย้อยหยาดไหลน้องรีปนปองหักเต้าพ่องลมเต้าบ่มวายพ่องผ่านพายจากกูไปรีอยู่ไกลตา ายเสนาคุณใหญ่ก็เล่นไหลซา ส, สนโกละหนมีกองเกิดไข่ห้องราชธานีก็มีหันห่นแล ะ, ะนะตาตานันตารังทัดนั้นไปบอดจ้าคุณบาปกาจังไรก็เร็วไวนำหมู่ขึ้นไปสู่หอกคำไขยัยงกำหาเทา ร้องบอกเก่าเสนาหยับยังผาญาสมมตตราดกับนางนาตวีคนใดมีน้อยใหญ่บ่เว้นว้คนใด <c oughs> แล้วนำไปขังไว้มัดแน่นใส่ ก, งกางเ้อเสนานมเทาวังแวดเฝ้ายา ย, ยายแล้วผันภัายไปไว้ยังเจ้าหนอไทยอุปราชา ขอราธนาโอกาสทื่นั่งภาสจะเบยเมืองก่อมีหันและนาตามาทังปักกาเซนโตศรัทธาศรัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบาทอยบาลีบทหลังมีไปแจง พระจิงแสงเตสะน า, าวาโสนนติโยเสนาปามคโคดังนี้เป็นตนพิกขาวีดุราพิกุส ท, ทั้งหลายอันเป็นทายอดิยาเจ้าตุกขําำเจ้าพาวนาส่วนคุณปาลาบาไปตันหาใหญ่ใจหานปาปาริวานม้วนหมู่ขึ้นไปสู่หอใจ เรียเปลวไว้บอกจ้าหยับเจ้าฟ้าราจากับนางรา จ, จายาน้อยนาตั้งโอรสราใยใจกำดันไดใหญ่น้อยมัดเจีอกห้อยติดกันนำไปปั่นขังไว้จดแสใสกังกาฮือเสนามวลหมูเฝ้าแวดอยู่จูไยแล้วพันภายไว้วาดขึ้นผาสาเจียงคาน ย่อมือซานน้อมไว้วสิงเจ้าหนอดไทยอุปราชาไขขีญาเหล่าเก้าเฮ อ, อุปราชเจ้าตามมีแล้วไขวาตี ต, ตันตอว่าคาแดเจ้าหนอใสเมืองี้งกำขีเสืองหลายแลอันมีแต่เดิมอ่อนก่อไม้ทอนเสียงขาดคาพระบาททุนสา ข, ขออุปราชาเจียงเจ้า ได้เป็นเก้าเสวยเมืองฮือโย่าเรื่องภัยน้อยได้จืนจ้อยเจยบ้านอุป ร, ราชหารหาเท้าใครเป็นเต้าเหมือนมาฟังกําจาบอกเรา แห่งคุณเท่าจังไรยินมีใจจมจืนปีติตื่นนำนาทรีมายาบวบปากตีแต่หากยินดีคุณกาลีบาปใบหูรอดใส่ในใจ เรียเร่ยวว้ฝั่งเฝ้าร้องเอินเป่าโยธาตั้งพระจ า, าน้อยใหญ่อันอยู่ใกล้หอใจหฮือมาไวมวลหมู่พร้อมนาอยู่โรงกันแล้วปากันอาภิเศกอาติเรกมงคลยกยังตนอุปราชอันหาวหาดปาลามีตันหาเมืดเศร้าเฮอเป็นเจ้าเสวยเมือง แทนบุญเรื่องตนปีบอแมนตีกองทำโยทาดำน้อยใหญ่พ่องโศกไม่บองใจย้อนอะไรบอแล้วยังเจ้าตนแก้วสมมาตัดราชาจักไขจ่ายินอยากนั่งบอปากนิมเศร้าพ่องบ้องเงาต่ำก็เอยบอเจนจ้อยยินดีเจ้าปุรีไพราตังอาหมัดคนใน โอ้มีใจสะต้อนว่าวูรอนเรรุนย้อนว่าจนหาเทา้าใดผาบดาวเวียงใจส่วนโยทาในใจถอยตั้งไพน้อยปลาลากับเสนาผู้เทาอันเป็นเก้าไพมานต่างสำราญจีนจ้อยบอ่อตาก้อยขี่มองย้อนสมปองไฟอ้างบ่อวิตวังเสียสุม้ม โอ้มาสุมเป็นหมู่ห้องอยู่ดังนั้นกินเล่นกันอดเอ้าเสียงคาเจ้าคืนวันก็มีฮันแลยนะโ <c oughs> จตะกแม็นมีผูใไข่หูมาเกาถามคำบาเจ้าห่อคำสมบัตตราเตจะดเสียงซาจบสิบปาเสียงขอดหูแจงรอดหันไก เป็นสันใดนั้นเหล่าเฮือคุณเท่าใจมันกับเสนาหานน้อยใหญ่จับยับใส่กังกาสันได้จ้าบ่อผาพคือเท่าหยาบเมื่อมอญคือเจ้านาคนไถ่น้อยได้จื่อจ้อยเจยบ้านนั้นเจ้าปริหาริโกส่วนผู้จะแก่เฮือแจงแน่หันใส ก็กวนไข่เกาอูหื้อได้หูตามมีว่าเจ้าปุริสมมาตราคานิ่งขวาดเล่งหันว่ากันกูฝันหบภาพกับเท่ายาปลาจุ่มพาเจ้าตัวดาวจักเหยียดยาาเร่รนโกละหุนอันใหญ่จักเกิดไขวียงใจสักไปยในบ่เมียนโจนขวักเสียนเบียนฟี ซึกดอกมีมารอเตียงบวยหมอดบำบายกวนอุบายยังย่อนเหมือนไม่อ่อนตัวล้มอดมองคมกลมนาก้อยตอบตาวันลุนม็นมาบุญมารอเตียงบ่หมดเมื่อมอนพระผูทอนสมมาต ร, ราดการนิ่งขวาดหลายอันจริงบบอฟันหลับสานยังขุนอยากจ้าใจหาน แ h ม m พา ก, กาลหนึ่งใสวิบากไหลตัวตั้นเหือจอมทันเจ้าฟ้าปัดผักนาเสียเบื้องปัดใสบุญเรืองลูกเตา้าปัด น, นังนอเนาเตวีวิบากมีมารอเถือเต้าหยอดห อ, อกคำบอกาตั้มบาปสาวาหบคุณเท่าใจหานบ่อใจเตา้าผู้บ้านสาตาน เรือปลายก้านกวัวตายขอดิ่งใจจู่ผู้กึดสอดหูตามีดังนี้แดดเตอตาตาในกาลนั้นเหล่าขุนบ า, าปเศร้าปาลากอทุนศาน้อมไว้ซึ่งเต้าไม่ใจหานว่าข้าแดพระผู้บนยยันญตดเงี้วแผ่ไข่าดาวเวียงใจ จากเงียอสันได้นั้นหล่ากับเต้าเจ้าสมัติราัชาตังบุตานนอยอลลนังยอดซอยเตวีจักหือดีผากนาหรือนำไปคาตัดฟันจากขังมันละไว้หรือมัดใจแปะไหลขอเต้าไข่ปงขาดอนุญาตมาฟันเจ้าหอจันเต้าไม่ตันหาใหญ่บังอํา ก็ใครํำบอกเล่าแก่คุณเทาจังไรว่าแม่นปล่อยมันไปต่างห้องไปตกต้องไก่ตาถึงวันมาปลายนามันอาจกาเหลือคนปารีปนต่างเต้ามาภาพดาวราวีกันเฮานี้บ่รอดเตียงมวยหมอดจีวัง กันว่าขังมันไห้บ่อหอนได้เป็นคุณเจ้าเมืองดุนลายหลากโยธาหากเป็นสองเขาจักปองเอาออกคือปนขอกังกามันเตียงมาผาพสูขายังหมู่จุ่มราวกันจักเอาไปขาคือความนาวมไายคนดวงลายใหญ่น้อยจักกาวถอยเตียนขวัน ว่าเจ้าหอจันค้าปีบอเมนตีตามธรรมเราควร น, นำมันใส่ในแปรใหญ่ไหล้อยฮือหายซอยมวยมางกางแม่กวางกงกาควรแต่งดาแปรไวสามแปรใส่าสามคนเฮือนำบนนำผากปัดเสียจากไกกันควรจะเล่นะา องสุตว่าคุณเสนาบาไปฟังเตาาไทยอาธรรมไขยังกำบอกกล่าวรีบฟังฝ้าเร็วไว้บอกเสนาในมวลโมว่าสู่จุงไปสู่กองการีบแต่งดาแปลไว้นับหือได้สามลำรีบกระทำอย่า้า แล้วบอกนามาปัญญาจะนั้นเก่าอู้หือคนหูไปลายกู้คืดหมยกันใหญ่จักหูไขวันลูนฟังคำขุนผู้เทาบ่อสูนเป่าเสียซุ้มแลนะจุมเสนาบาปเศราฟังคำเทาจังไรเขาเดียวไว้ฟังฟ้าไปสู่ดาวกงก้าหาไม่มาพร้อมไข่แปงแปไว้สามลำ ตามดังกำคุณเท่าใครบอกเล่าย้ำมาพ่องก็จะทรรมู่กูใครหูสั์จังเท่าตาปังคุณใหญ่ฮือแปงใส่สังจาองแสงจาลักลกาวว่าจากใสเต้าองอ้อนไหลสะกอนแม่กวางเฮือผาค้างหายซอยพ่องว่าตันจากลอยข้อใหญ่ฮือเตาา้าใหม่เสวยเมือง มีเตจะเร่ององอาเธออุบาทนีไกเสนาในหัดเท้าครต้านเก่านาหนากันแต่งดาเบียนแล้วก็กาดแก้วขึ้นหลังมาบอกยังคุณใหญ่เฮือหูไข่าตามมีคุณกาลีผู้เท่าใจกำเร้าจังไรก็เสนาในหาาัดเท้า นำเอาเต้าสมตะตราเจากับบุตรตาอ่อนน้อยและนางยอดซอยเทวีจากปุริเมืองกวางไปสู่ตาตังกงกาตามอาญาเต้าใหม่เพื่อมัดใสแปไลไหลเฮหายไปภาคนาบ่อได้กว่าขึ้นมาส่วนพญาสมตาาสมตราูแจ้งขวัดในใจ น้ำตาไหลบ่เหือท่อนใบเดือดเดือดไหลเต้าบุญภายและพอยังนางแก้วนอติวีพ่อใส่ซ า, าลีลูกเต้าอันหนุ่มเน่าเด็กขามีน้ำตาหลังย้อย ตุกบอดน้อยมาปานสวนนางนงคานนอเนาแลพ่อเจ้าสามีกาตั้งบุตธธานอไทยแสนโศกไม้เหลือใจรีรำไรก่าวทอเอมีบอดน้อยลายภากาดรีรปนหันหาเท้าปลาสามต้าเตียวไปอิดเหลือใจบอดจอต่อเต้ารอดกงกาเลยนะ ามาทังประกาศเซนโตสัทธาาราัทธาสัพพัญญูยาซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาวาสปเปปปาลาโยธ า, าดังนี้เป็นตนพิกข้าเวดุราภิโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาตเจ้อนักผาทรุงยาน อันวาโยทหาหไล่แเลเขาแหวทแหย่ใยนำเจ้าหอใจเต้าเก่าและนังหน่อเนาเตวีตั้งสายปุรีดอ้น่พงอ่อนอ้อยเด็กขาจากป ร, ราเตต้องไปสู่ห้องวังทานพระผู้บ้านสมมติราชหูแจงขวาดขีญาว่าเขาจัก ป, ป่าไปคา เฮ่ความนาเมื่อมอนหรือตอจากก้อนแม่กว้างเื่ามวยมั่งห้หลนเต้ากังวลมนเ้าร้อนไร่เอาปานไฟ <c oughs> จรจกใครต้านต่อเสง่ดังนอเตวีว่าดูระสยสลี่เฮ้ยนองแก้วเวนจัดแลออกมาตันเฮ่ต่านฟันคำคาใดภผักนาเพตา ขอสายตาดองเนาอดโศกเศร้าสกีแม่นบุญมีบอเจ้าเกิดจาดนาไปลุ่นขอนาบุญสองอยู่ฮือได้อยู่จอมกันขอจอมขันนาดไทยหัวแจงไขท่ทามาดาคนเกิดมาในโลกสุขทุกโศกสุนกันได้แผ่พันผาค้างได้มวยมังไกกา พ่องสมมานาจ่าจืยนจ้ อ, จอยพ่องต่ำก้อยมองขีพ่องมังมีหลายลากพ่องตกอยากนาน้ำแล้วแต่กำเก่าเดินได้ข้างขึ้นตวยมาขอสายตาหนองจันอดเยือนกันขันตียามองขีเจียนกว่าอย่าแจ้งดาคนได้ส่วนสีน้องไว้หยอดจอยงามจืยนจ้อยพัตตาว ด, ดี พระเจ้าเตวียอดเงายินกำเต้าพัวควันหัวใจตันกับตีบดังเปืนอนีกับฝาปริเทวนาเก่าวถอยว่าอินดูลูกน้อยใจเดียวสองตาเขียวว่าว่องไปแจ้งส่งกันได้พงมีไว้ขึ้นใหญ่พ่อจักใดมารนากรรมสั่งจาขึ้นขอบสัญญองตอบเบียนควี พระเจ้าเตวียอดซอย ร, ยริราถอยนานาส่วนราเจาบุตรตาโนอยอ่อนเสนาสอนจอมลังได้หันยังพอ่อเจ้านาหมุนเศร้ามองขี อันราจาัจเตวีตนแม่น้ำตาแผลลำไหลเจ้าใสา่ใจปากหมอจริงทำป่อพาญาว่าจุมเสนาลายหลากมัดเฮาหลากไปไหนจักไปไก่หรือไกล แม่ร้องให้สั่งจ้าป่อพาญานั้นเหล่ามองมนเ้าการได้เจ้าห่อใจจักปากหนิ่นลำบากนำนาแซงไข่จ่าบอกเล่า เอื้อหลวงเต่าตามรายเสนาลายเป็นตาวังแหวนนาแลหลังป่าเอายั้งสามเจ้ารีบไตเต่าเตียวไปอิดเรือใจบ่ยั้งจนถึงฟังกงกาก็มีวันนั้นแลยนา เนธตังขีญาสังวันน า, าวิเศษจาหองเหตนาเ ข, ข่าคำผูกทวนสีนี่ยายกีบัวไข ย, ยังยาวไก่บ่อ้นยอดใจก่อยฟังไปผูกนี่ไข่เต้าอีเต่านี่หากวางลงก่อบังกุมสมริจเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล